วาจาของท่านในพบก่อนนั้นเป็นวาจาที่ประกอบด้วยอัฐะอัฐานั้นเป็นชื่อของผลนะธรรมะเป็นชื่อของเหตุเพราะฉะนั้นความรู้ในอัฐาก็คือความรู้ในผลคำว่าอัฐะนั้นนะวันก่อนนี้อุสาห์บอกห้าตอบได้สี่ทำไมนะอัฐะมีห้าหนึ่งอะก็คือปัจจยุปันทุกชนิดเป็นอัถะ อันนะปัจจยุบันโหฝังยากเหลือเกินนะเอาใหม่นะสิ่งที่เกิดจากเหตุทุกชนิดก็คือผลนั่นแหละหนึ่งนะสิ่งที่เกิดจากเหตุก็คือผลนั่นแหละ2องนิพพาน3เนื้อความแห่งพาสิทธ์อัตถะแห่งพาสิทธวิบากจิตและกิริยาวิบากกิริยา5้าอย่างนี้เป็นอัตถะนะธรรมะธรรมะก็มี5้าอย่าง หนึ่งปัจจัยทุกชนิดตัวปัจจัยนี้เป็นธรรมะแล้วต่อไปอีกอริยมรรคอริยมรรคก็เป็นธรรมะกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะสุดท้ายนะภาสิทธคือคาพูดนี้เป็นภาสิทเป็นธรรมะเข้าใจเนื้อความเลยความรู้ในเนื้อความเป็นอัตถะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่สอนกล่าววาจาที่ประกอบไปด้วยอัตถธรรมะแนะนําประชาชนให้มากแนะนําในประโยชน์สุขแนะนําในประโยชน์สแนะนําประโยชน์ในภพนี้แนะนําประโยชน์ในภพหน้าและแนะนําในประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานและพระองค์ก็สแสวงหาความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหล ะ, สะแสวงหาความสุขให้ พระ อ, องค์นี่แสวงหาความสุขให้แก่สัตว์นี่แสวงหาอย่างไงสัตว์ทั้งหลายเขาควรจะได้รับวัตถุจากพระองค์พระ อ, องค์ก็จะให้วัตถุสมัยที่เป็น พ, พระโพธิสัตว์นะถ้าสรรัตว์ทั้งหลายสมควรที่พระ อ, องค์จะให้ความเมตตาพระ อ, องค์ก็ให้เมตตาก็คือบำเพ็ญบารมีสิทธิ์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายปัจจัยที่ทําให้พระ อ, องค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดก็คือเพราะอาศัยเมตตาอาศัยเมตตานี้ทําให้พระ อ, องค์นี่มีความ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 และพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้บูชาธรรมะเป็นปกติเป็นธรรมดาเพราะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพในธรรมมากที่สุดเลยก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งถ้านพิสุรูปหนึ่งกําลังแสดงธรรมอยู่พระ อ, องค์เนี่ยเสด็จมาพอดีเลยพระ อ, องค์เนี่ยยืนฟังยืนฟังเนี่ยเกือบสว่างทีนี้บอกพระ อ, องค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้าค่าบอกมาตั้งแต่เริ่มแสดงนั่นแหละ mm hmm. ก็ยืนอยู่นั่นแหละบอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ทำสิ่งที่ทําได้ยากพระองค์กล่าวบอกถ้าแสดงได้เป็นกับพระองค์ก็จะยืนฟังได้เป็นกับเหมือนกันนั่นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพทำที่สุดวันก่อนกล่าวถึงสีหาสูดใช่ไหมสีหานี่ถ้าจะจับโดยที่สุดแม้กระทั่งแมวหรือกระต่ายนี่ก็จะจับอย่างแม่นยําไม่ผิดพลาดชั้นได้พระผู้มีพระภาคนั้นถ้าจะทรงแสดงธรรมแม้แต่แสดงกับขอทานหรือกับนายพรานพระองค์ก็จะแสดงด้วยความเคารพเหมือนกัน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 ในครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นเป็นคนยากจนะนะในเมืองนั้นนั่นแหละทีนี้ ah e, ภรรยาเนี่ยแพ้ท้องก็บอกว่าจะกินมะม่วงทีนี้มะม่วงมันไม่มีที่ไหนมีเฉพาะในสวนพระราชาอย่างเดียวอ่ะก็ไปขโมยอ่ะทีนี้ก็ขึ้นไปจะลักมะม่วงบนต้นนั่นแหละทีนี้พระราชาก็มานั่งอยู่ใต้โคนต้นมะม่วงะนะั่นแหละแล้วฤาษีอาจารย์ที่สอนทำเนี่ยนั่งต่ำกว่าพระราชาพระราชานั่งสูงกว่า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 มีในในในคำพีนันะในเสขียวัตรของพระพระองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยว่าพึงทำพึงทศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่อยู่สูงกว่าวันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บูชาธรรมถ้าถาคตนี้ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบ mm hmm. ื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตน ร, รมสังสมพอกภูลภัยบู์จุติจากโลกสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะสองประการคือมีพระบาทดุจสังควมนะแล้วก็มีพระอุณโลมาโลมาก็คือเกษาผมโลมาขนทั้งหลายนะโลมานี่มีปลายช้อยขึ้นข้างบนทุกๆเส้นเลยปลายนี่ช้อยขึ้นบนหมด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 ในบรรดาคนที่เสวยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพาษนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจัดเลิศที่สุดกว่าบรรดาผู้ที่ได้เสวยถ้าอาหารมีอร่อยท่านจะได้รับอาหารที่อร่อยที่สุดใช่ไหมอะไรที่มันดีๆท่านจะได้ดีที่สุดเลยเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในผู้บริโภค ก, กรนี่นะถ้าไม่ออกบวช <c oughs> ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 สมาบัติพระองค์เข้าวันๆหนึ่งเป็นแสนโกดเข้าสมาบัติเนี่ยสองล้านสี่แสนโกดเข้าสมาบัติโอ้มากมายมหาศาลนะแต่เฉพาะมหากรุณาสมาบัตินี่ก็ไม่รู้กี่ในต่อกี่ในนั่นแหละอั้นพระองค์เนี่ยเข้าสมาบัติในเรื่องของฌานสมาบัตินี่พระองค์เนี่ยเป็นเลิศที่สุดอั้นพระองค์จึงสา ม, มารถที่จะแสดงยมกปาฏิหารได้และในด้านของปัญญานียปัญญาพระพุทธเจ้านี่มากที่สุด ปัญญามากไม่มากก็เราไปอ่านคัมภีร์ดูนะอ่านจนอ่านไม่เข้าใจเลยอ่านจนเราท่านมีปัญญามากกัเราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้ววิมุตตวิมุตตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเช่นอย่างอารหัตตะมรกอรหัตตผลของพระสาวกทั่วไปบางองค์ก็เป็นแค่เป็นพระสุขาวิปสัสสก บางองค์เนี่ยสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นเตวิชาได้วิชาสามบางองค์ได้อภินยาหกบางองค์ได้ปฏิสัมพิทาสี่บางองค์นี้ก็ได้สาวกบารมียาบางองค์ได้ปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่ปันวิมุติของพระองค์เนี่ยจะทำให้พระองค์เนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับผู้ที่ได้รับอภิเศกอภิเศกเป็นพระราชา จะได้ปกครองแผ่นดินพร้อมทั้งการอภิเศกนะสมบัติทุกชนิดจะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าแผ่นดินฉันใดพระพุทธเจ้าพออรหัตตะมักดับปุ๊บอรหัตตะพนเกิดขึ้นปุ๊บคุณมาพิเศษทั้งหมดที่ควรมีอ่ะนะบอกว่าในด้านของวิมุตเนี่ยทำให้พระองค์ได้รับหมดเลยนะปฏิสัมดิทาสีวิโมกขุณธรรมเยอะแยะไม่ไว่าตั้งแต่ท่านอธิบายตั้งแต่พวกศรัทธามิริโอตปะ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 วิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะเป็นชื่อของพระนิพานธรรมะทุกชนิดนะนิพานประเสริฐที่สุดบรรดาสังฆตะธรรมทั้งหลายอาริยมรรคประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสองเท้าสี่เท้าหรือเท้ามากเยอะแยะเหมือนกิ่ ง, งกูอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไม่อรูปประพรมก็ตามพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดมัน ง, งั้นแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้วพระโบราณอาจารย์ได้กล่าวคาถาประพันธ์นี้ในลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษพิจารณาก่อนจึงกล่าวถ้อยคําอันประกอบด้วยอัฏฐประกอบด้วยธรรมะสแสดงกับประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นําประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรีได้เสียสละ บูชาธรรมะแล้วพระองค์ย่อมไปสู่สุคติบันเทิงอยู่ในสุคตินั้นเพราะกรรมอันพระองค์ประพฤติดีแล้วมาสู่โลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสองประการเพื่อความเป็นผู้มีความสุขอันอุดมพระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบนและมีพระบาทตั้งอยู่เป็นอันดีพระมังสะและพระโลหิต ปิดบังอันหนังหุ้มห่อแล้วและมีะพระเหล่าเบื้องบนงามพระมหาบุรุษนั้นหากครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพวกที่บริภุกกรรมไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์นี้ครอบงำชมพูทวีปเสียสิ้นหากพระองค์ทรงออกผนวดก็จะทรงพระวิริยะอย่างประเสริฐ พระพุทธเจ้านี้จะเป็นผู้กล้าอย่างที่สุดเหมือนกันเถอะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ได้ทรงครอบงำโลกทั้งปวงอยู่ก็มีการพิจายรณาแยกแยะแยกย่อยไปแล้วก็เหลือแต่ความเป็นธาตุสี่เมื่อความเป็นธาตุสี่ปั๊บนะผู้ที่อบรมวิปัสนาจะต่อด้วยสมุทฐานของธาตุนั้น เช่นถธาตุคือปฐวีได้แก่ผมก็จะพิจารณาสมุดฐานของผมนั้นอีกต่อไปธาตคือผมขนอยากขนก็พิจารณาสมุดฐานของขนนั้นอีกต่อไปเล็บก็พิจารณาสมุดฐานของเล็บอีกต่อไปฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเริ่มพิจารณาสมุดฐานต่อไปการพิจารณาผมอันนั้นพร้อมทั้งสมุดฐานเป็นปริญญาไหมเป็นยาตะปริญญายาตะปริญญานั่นแหะ ทีนี้ถ้ามีการพิจารณาจนถึงเมื่อรู้จักสมุดฐานเป็นอย่างดีแล้วรู้จักปัจจัยของธาตุเหล่านี้เป็นอย่างดีก็เริ่มพิจารณาถึงความไม่คงทนของแต่ละสิ่งไปเรียกว่าพิจารณาถึงความไม่เที่ยงมีแล้วไม่มีมีแล้ ว, มมมลวหมดไปเป็นของที่ถูกปัจจัยประชุมขึ้นเป็นสังคตะธรรมเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาการพิจารณาอย่างนี้มากๆเป็นตรรณะปริญญา แต่ตีรณะปริญญานี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของเรื่องปัจจัยนะเพราะถ้าหากว่าเรื่องปัจจัยเราไม่มั่นคงนะพิจารณาตีรณะปริญญาจะเลยไปเป็นอุเฉททติถิง่ายมากไม่เที่ยงอ่ะใช่ไหมทุกคนไม่เที่ยงระเบิดตู้มมาก็แตกหมดกันคิดอย่างนี้บางทีไม่ดีเป็นอุเฉททติถินะสมมุติวบเหมือนกับเหมือนกับเหตุการณ์ที่ระเบิดที่สันปตองไ้ยระเบิดตุ้มหายไปหมดเลยเออหายไปหมดเลยนะถ้าคนศึกษาธรรมะไม่ดีเป็นอุเฉททติถิ ศูนย์เลยอ่ะใช่ไหมมองเป็นเรื่องศูนย์นั่นเป็นอุดเฉททิฏฐินะนี่สนทนากันมาเอ้เราเห็นเป็นสมัมมาทิฏฐิเป็นยังไงระเบิดตู้มเหตุการณ์เหมือนกันถ้าคนเป็นสัมมาทิฏฐิจะพิจารณาอย่างไรนั่นแหละเพราะมันไม่ได้อยู่แค่นั้นใช่ไหมก็พิจารณาเลยต่อไปกว่า น, นั้นอีกว่าถ้าจุติจิตเกิดอะไรจะต่อขึ้นต่อต่อไปอนั่นแหละจุติจิตเกิดปุ๊บจิตก่อนตายมีอะไรเป็นอารมณ์ใช่ไหม ถ้าจิปตปฏิสนที่ต่อไปจะปฏิสนที่ได้อย่างไรก็เอาเหตุการณ์ในช่วงจุติมาวิจัยโดยคําสอนถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปั๊บกรรมและผลของกรรมเราไม่ชัดถ้ากรรมและผลของกรรมไม่ชัดนะยาตะประิญญาไม่ผ่านสอบไม่ผ่านจนกว่าจะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนน่ะจนลัทธิอย่างอื่นไม่มีผสมเลยอ่ะเหลือแต่ปัญญาลุนล้วนที่เข้าไปเห็นกรรมและผลของกรรม ผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับผลของกรรมก็ไม่มีกรรมมีอยู่ผลของกรรมมีอยู่ผลนั้นน่ะถ้าไม่มีกรรมผลจะเกิดไม่ได้ก็จะ ว, วิเคราะห์อย่างนี้ละเอียดจนรู้ว่าแต่ละอย่างนี่ว่างจากกันกรรมไม่มีในผลผลไม่มีในกรรมแต่กรรมจะมีได้เพราะเหตุอันนี้ผลอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยอันนั้นน่ะจนอย่างถึงในเรื่องของปัจจัยแล้วก็พิจารณาโดยอนุปัสนาทั้งเประการใน ในสิ่งเหล่านั้นอะแม้แต่กรรมก็ไม่เที่ยงกรรมก็เกิดด้วยปัจจัยฉะนั้นกรรมไม่เที่ยงกรรมมีแล้วหามีไม่ตัวกรรมเนี่ยเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไอ้ตัวกรรมเนี่ยเป็นทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะกรรมตัวนั้นเป็นไปตามปัจจัยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สวยกรรมไม่มีผู้รับผลของกรรมแต่กรรมมีอยู่อะไรเงี้ยฉันวิจัยพวกนี้อย่างละเอียดจึงจะเป็นพวกของ ตีระปริญญาถ้าตีระปริญญาไม่มั่นคงนะวิปลาดเนี่ยแทบเอาไว้ก่อนเลยนะวิปลาดนี่แตะเขาไม่ได้เลยแต่ถ้าเจริญประเภทตีระปริญญาเป็นต้นมากๆจึงจะละประเภทนิจวิปลาดเราจะเริ่มคลายวิปลาดได้แต่ขณะทั่วไปขณะกุศลจิตเกิดขณะนั้นวิปลาดก็ไม่เกิดก็จริงอยู่แต่ส่วนใหญ่จะหนาแน่นด้วยวิปลาดท่านวิปลาดอันนี้จะต้องแหวกด้วย ด้วยปริญญาสามนั่นแหละแต่ปริญญาสามก็มีอาหาราไม่ใช่อยู่ๆจะเอาแต่ปริญญาเลยนะอาหารของปริญญาได้แก่อะไรเหตุใกล้ๆของปริญญาปริญญาก็คือปริญญานะเป็นชื่อของยถาภูตญานทัศนะนะยถาภูตยานทัศน ะ, ะนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นประทัด ฐ, ฐานสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ สมาฮิโตยะถาภูตังปชานะเตก็บอกว่าเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงส ม, มาส ม, มาธิอันนั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรนะโยมก็าบอกสุขมีสุขเป็นเหตุใกล้สุขมีกี่อย่างสุขมีสองอย่างคือกายกระสุขกับเจตสิกสุกสุขทางกายและจิตสุขอันนั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ตัดสัทติเป็นเหตุใกล้ นะมีปัสสัตที่เป็นเหตุใกล้ความสงบความสงบนั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปีติเป็นเหตุใกล้โอ้เยอะเลยนะจากปริญญามาเอ็กชักนิกทีแรกก็นึวกว่าไม่ยากแล้วนะแล้วปีติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปีติมีปราโมดเป็นเหตุใกล้ปีติแรงมีปีติอ่อนๆเป็นเหตุใกล้นะปราโมดอ่ะอิ่มใจนะคุณอปราโมดมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรนะ นะศรัทธาก็ได้หรือบางแห่งท่านกล่าวว่าอาวิปปติสารเป็นเหตุใกล้อวิปปติสารคือไม่เดือดร้อนใจในกายกรรมวจีกรรมและอาชีพของตัวนี่แหละเขาเรียกว่าอาวิปปติสารอาวิปปติสารมีกุศลศีลเป็นเหตุใกล้กุศลศีลเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีหิริโอตะปะเป็นเหตุใกล้หิริโอตะปะเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ลายพลิกยังไ นับตั้งแต่โยนิโสมันนสิการโยนิโสมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีการฟังฟังมีอะไรเป็นเหตุใกล้ครบศัสต์บุรุษครบศาสตร์บุรุษมีอะไรเป็นเหตุใกล้อยู่ในประเทศที่สมควรเป็นเหตุใกล้อยู่ในประเทศที่สมควรมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีจากออัตตะสัมมาปณิทิในพบที่แล้วเออไม่ใช่มาจากปุเพกะตปุญญตาเป็นเหตุใกล้มีบุญเก่าแล้วคนที่มีบุญเก่าทําไมจึงมีบุญเก่าเพราะอัตตะสัมมาปณิทิ ตอนนั้นเขาตั้งตนไว้ชอบทําไมเขาตั้งตนไว้ชอบก็ไล่ไปเอกก็กลับมาวนถึงกันไหไล่ได้หมดเลยนะนั่นแหละทั้นทุกอย่างมีเหตุใกล้เหตุใกล้ทั้นการกล่าวในถึงสิ่งนั้นๆก็ต้องมองประทับฐานเหตุใกล้ของสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปไม่ใช่เป็นเหมือนเขาขาด น, นะนะไปถึงห้วนห้วนไม่ใช่คําสอนของพระผู้มีพระพักเนี่ยจะกล่าวอย่างสมบูรณ์เลยอาจจะมีปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นมากทั้นการพิจารณาอย่างนี้เป็นประทับฐาน หาปัธฐานหรือหาปัจจัยนั่นเองปัธฐานก็คือเหตุใกล้หรือปัจจัยของสิ่งนั้นๆถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นนั้นอยา่างดีเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นให้บริบูรณ์ได้เราก็รู้เอออาหารนี้อร่อยอาหารอร่อยนี่มาจากเครื่องปรุงอะไรบ้างไม่รู้แต่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าซื้อกินอีกนานกุศล <c oughs> นี่มันซื้อคนซื้อแทนคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมอู้โยมภู ก, การนีศึกษาธรรมะเข้าใจดีแล้วเกินขอหน่อยเถอะ นะเดี๋ยวให้น้ำแก้วหนึ่งแล้วขอแบ่งบุญเอามางอาก็จะได้ประเภทอนุโมทนาใหม่ไปแต่ไอความรู้อันนั้นเนี่ยให้แทนกันไม่ได้ก็คือถ้าบุญนะบุญหรือสติปัญญานะจะิตเจริญแทนกันได้นะพระพุทธเจ้าท่านทำให้เราหมดแล้วล่ะแต่แทนกันไม่ได้ไม่เชื่อนะกลับไปถึงบ้านแล้วยมให้คนอื่นเขาทานข้าวเผื่อด้วยเดี๋ยวทานข้าวเผื่อด้วยนะออทาได้ไหม อ้เ า, าอาหารยังทานเผื่อกันไม่ได้แล้วกุศลจิตจะทำแทนกันได้หรือนะ น, นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นในกุศลนี้ก็เลยเวลาละ